นำน้ำมาสการชื่อบูมครับอ่ก็ครั้งที่แล้วหลวงตาบอกว่าเออลงสังขัญเป็นว่าเป็นตัวเราแล้วก็พาตัวเราไปหาทางพ้นทุกข์อ่าบางก็เห็นมากขึ้นแล้วก็เออบางทีบางทีก็เห็นว่าไม่มีตัวเราบางแต่บางทีพอเผลดสติมันก็ยังรวมกลับเข้ามาอยู่อืมก็อย่างนั้นน่ก็ต้องบนันฝึกฝน คือถ้ามถ้าเอาตัวที่คิดได้เป็นตัวเราเมื่อไหร่นี่คือหลงถ้าอตัวที่คิดได้ตัวที่รู้สึกได้ว่าเป็นตัวเราเนี่ยเอาตัวที่รู้สึกคือปรุงแต่งเป็นความรู้สึกว่าเป็นตัวเราได้หรือตัวที่คิดได้เอาตัวที่ดิ้นรนเอาตัวที่ค้นหาตัวที่พยายามได้เป็นตัวเราไอ้นี่เป็นตัวหลงแล้วเพว่าเท่ากับเอาสังขารหรือขันห้าเป็นตัวเราอย่างนี้หลง หลงเอาสังขารหรือขันห้ามาเป็นตัวเราหรือหลงเอาตัวเราเนี่ยไปเป็นขันห้าซะแล้วอันั้นตัวเราแท้แท้มันเป็นวิญญาณวิญญาณแท้แท้วิญญาณแท้แท้ที่สิ้นวิชาแล้วเนี่ยก็จะไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่ไม่มีกิริยาการใดๆไ ด, ๆได้ไม่มีอะไรเลย มีแต่ความรู้อย่างเดียวแต่ความรู้ก็ไม่มีอาการรู้ด้วยมีแต่ความรู้ที่ไม่มีอาการเป็นความว่างเปล่าเหมือนกับความว่างธรรมชาติจักรวาล น, นั่นแหละคือวิญญาณแท้ๆที่ที่มาเกิดเราเนี่ยคือวิญญาณแท้ๆที่มาเกิดพอมาผสมกับสเปิร์มของพ่อและไข่ของแม่แล้วแล้วก็แม่ก็กินสาปพืชสากสัตว์กินน้ํากินธาตุน้ํากินลมกินธาตุไฟเข้าไป ไอ้ก็เลือดมันก็ค่อยโตขึๆๆต้นมาเรื่อยๆจากหยดเลือด ก, ก็เป็นก้อนเลือดโตขึ้นเรื่อยแล้วก็พอโตก็ต้องกลัวแล้วนแน่เราแท้ๆคือวิญญาณแท้ๆนี่แน่ถ้าสิน้นอวิชาแล้วก็จะมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างความรู้สึกว่างเป็นสุขเวทนาแต่เป็นความว่างเหมือนกับเป็นความว่างในธรรมชาติที่หาต้ไม่เจอไม่รู้สึกว่างภายในไม่รู้สึกว่างภายนอกมีแต่ความรู้มีแต่ความรู้ งั้นถ้าเราเอาตัวเราที่เป็นรู้สึกได้เอาตัวที่เป็นตัวคิดตัวนึกตัวสึกตัวตองได้เอาตัวที่ดิ้นรนที่ก้นหาที่พยายามได้เป็นตัวเราอันนั้นน่ะคือหลงทุกครั้งเราไม่รู้ตัวว่าหลงแล้วหลงไปเอาตัวสังขารเป็นตัวเราหรือหลงเอาตัวเราติดไปเป็นสังขารคือตัวเอาขันห่านมาเป็นตัวเราหรือเอาตัวเราไปเป็นขันห่าเอาตัวอะไรเป็นขันห่าแต่แล้วตัวเราไม่ใช่เป็นวิญญาติแท้ที่มาเกิดที่ ปงแต่งไม่ได้ซะแล้วดงนั้นทุกขณะจิตปัจจุบันเนี่ยถ้ามีความคิดความรู้สึกมีกิริยาการใดๆเกิดขึ้นในใจทุกขณะปัจจุบันจากที่ไม่มีเป็นมีขึ้นมาก็เพิ่มขึ้นมาไหวตัวขึ้นมาแสดงกิริยาการขึ้นมาเกิดดับได้จากไม่มีแล้วก็มีขึ้นมาแล้วกเกิดดับได้เปลี่ยนแปลงได้มีกิริยาการที่เป็นของคู่ตรงกันข้ามได้สลับกับเปลี่ยนหน้าได้อันนั้นไอ้ปล่อยวางให้หมดเป็นสังขารเป็นสิ่งปงแต่งไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรา เข้าใจไหมล่ะครับบางทีก็ยังมีตัวพยายามพอพอมันพยายามทําอะไรปุ๊บก็รู้ทันรู้ทันทันว่ามันมนพยายามและตัวนี้สังขารแล้วอย่ออางไรอย่างแต่ก่อนนี่พยายามนี่คือเป็นตัวพยายามก็ไปเลยเออถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วให้เนี่ยให้โยนิโส ม, มนานสิการไอ้มีความรู้สึกว่าในใจโดยแยบคลายตลอดเวลาเพราะมีปัญญากํากับตลอดเวลาที่ทุกขณะปัจจุบันที่สังขารปรุงแต่งขึ้นมาก็ ดูทันทีเห็นสันทีกำกับสันทีว่าสังขารทางนั้นสังขารทางนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราอย่าไปเอาผิดตัวอย่าไปเอาผิดตัวเอาตัวที่สังขารได้มาเป็นตัวเราไปเด็ดขาดนะมันจะเหมือนกับจับคนร้ายผิดตัวที่เขาเรียกจับแพะจับแพะจับคนร้ายผิดตัวไมันก็จะจับคนร้ายผิดตัวด้วยไปเราขยันบอกขยันสอนใจตนเองทุกขณนะอาการที่เกิดขึนะ้น แล้วก็เห็นเลยทุกขณะกิริยาอาการที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะรวดเร็วปานปรมาณูเพียงใดแล้วก็เห็นทันทีเนี่ยจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นมาแวบเป็นเป็นวิญญาณในขันห้าจิตวิญญาณในขันหน้าที่เกิดขึ้นมารับรู้อะไรแล้วปรุงเอามาปรุงคิดคปรุงอ่ะไอตัวที่คิดปรุงปรุงคิดได้มันเป็นวิญญาณมันเป็นจิตวิญญาณในขันห้าแล้วก็ทํางานร่วมกับเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารพอมันรับรู้อะไรแล้วมันก็ส่งต่อเวทนาส่งต่อสัญญาส่งต่อสังขารมันก็เลย พอรับรู้อะไรปุ๊บก็คิดมันก็มีความรู้สึกถูกใจไม่ถูกใจไปกลางๆแล้วก็จําได้ใหม่รู้แล้วก็คิดปรุงปุงคิดอย่างรวดเร็วมากเลยแต่มันเกิดดับมากเร็วมากเพี้ยววินาทีเดียวเกิดเป็นเกิดดับก็เป็นล้านล้านขณะนั้นมันเร็วมากเราตามไม่ทันหรอกเราได้แต่สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจสังเกตที่ใจปล่อยวางที่ใจสติตั้งที่ใจสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจ ปล่อยวางที right. life, ่ใจสังเกตอยู่ที่ใจเราไล่ไม่ทันน่ะไปไล่ไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไปไล่มาเล่ปุ๊บไอ้ตัวที่ไล่เรากลายหลงเอาไอ้ตัวสังขารเป็นตัวเราเลยเอาตัวเราไปสังขารปรุงแต่งไล่ได้เป็นตัวเคลื่อนที่ได้ถ้ากลายเป็นเอาไอ้ตัวที่เคลื่อนที่ได้เป็นตัวเราหรือเอาตัวเราไปเคลื่อนที่ได้นี้หลงทั้งนั้นไงเป็นอวิชชาหมดเลยคือไปเอาไว้ตัวที่เคลื่อนที่ได้เป็นตัวเราหมดเลยเราแท้จริงอ่ะเป็นวิญญาณแท้แวิญญาณแท้แที่เส็นอวิชชาไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยไม่มีกิริยาการใด มีแต่ความรู้ว่ารู้อะไรอ่ะก็รู้ว่าตัวเราแท้แท้เนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีกิริยาการใดๆเลยแล้วก็รู้ว่าไอ้ที่มีกิริยาการใดๆทั้งหมดเนี่ยเป็นสังขารทั้งหมดไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเร า, เราไม่เข้าไปยึดบ้านถือบ้านเลยมันไม่ใช่ว่าต้องไปไล่รู้ไล่ดูอะไรแต่ตอนแรกๆเนี่ยเราจึงต้องอาศัยสติสมาธิปัญญาในขันท่าเนี่ย มาปรงแต่งมาสอนใจตนเองคือโยนิโสมานสิการแล้วก็บอกสอนทุกขณะอาการในขณะปัจจุบันที่มันมีความคิดความนึ ก, ค ว, กความสึกความตองความปรงแต่งรู้สึกเป็นตัวเราตัวเราในขณะปัจจุบนันก็บอกสอนไปก่อนอาศัยสังขารในกันห้าเนี่ยซึวยเป็นตัวสติสมาธิปัญญาในกันห้าช่วยบอกสอนมันไปในขณะปัจจุบนนันนั้นทุกขณะปัจจุบนันพอมีอาการเกิดขึ้นก็บอกสอนเลยไม่ว่าอาการจะ มีความเกิดดับรวดเร็วปานใดก็ตามแต่ถ้าเราสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจรับที่ใจสังเกตที่ใจเราก็จะรู้สิ่งเกิดดับในใจหมดแต่ใจไม่เกิดดับเพรใจหรือใจหรือวิญญาณแท้ๆคือใจแต่ใจไม่มีตัวใจใจเหมือนกับความว่างของจักรวาลเนี่ยแต่สิ่งที่เกิดดับสิ่งที่หมุนวนเปลี่ยนแปลงในจักรวาลนี้คือตัวสังขารทั้งหมดแต่ใจเป็นความว่างเหมือนจักรวาล แต่สิ่งที่เกิดดับสิ่งที่หมุนวนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในจักรวารลในโลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อุกาบาตรวมทั้ง yeah, สุกสรรค์สิ่งที่อยู่บนผิวโลกนี่รวมเป็นสังขารทั้งหมดส่วนใจหรือวิญญาณหรือจิตเดิมทแท้ๆเนี่ยที่ที่มาเกิดของเราเนี่ยเปรียบเหมือ น, นกันเป็นจักรวาลเป็นความว่างเปล่าของจักรวาลแต่สิ่งที่ล่องล อ, อยอยู่ในจักรวาลเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงมีความเสื่อมไปเปลี่ยนไปตลอดเวลาทุกอย่างที่ล่องลอยอยู่ในจักรวาลทั้งหมดไม่ว่าโลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อุกา แม้แต่จรวดแม้แต่จานดาวเทียมแม้แต่ทุกสรรพสิ่งแม้แต่มวลละอองทุกปรมาณูมวลปุ่นผงต่างๆรวมทั้งแม้แต่พลังงานที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศรวมทั้งตัวเราและร่างกายจิตใจของเราด้วยที่อยู่บนผิวโลกนี้ทั้งหมดทุกคนล้วนแต่ล่องลอยอยู่ในความว่างเปล่าของจักรวาลเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เสื่อมไปเป็นสิ่งที่เกิดดับอยู่ในจักรวาลที่ว่างเปล่าใจหรือวิญญาณแท้ๆของเราที่เสีนาวิชาแล้วที่มาเกิดไดแน่ ที่สิ้นอวิชาแล้วเป็นแต่ความว่างเหมือนจักรวาลเนี่ยทุกอย่างเกิดดับอยู่ในจักรวาลพอเป็นใจอ่ะใจที่เป็นความว่างมันมีความรู้มันเลยรู้ว่ามีอะไรมาเกิดดับอยู่ในมันให้ไปเป็นใจซะอย่าไปเป็นจิตที่ปรุงแต่งอย่าไปเป็นสังขารปรุงแต่งให้เป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งอยู่เงียบเงียบอยู่เฉยเฉยเดี๋ยวมันก็จะรู้เองว่ามีอะไรเกิดดับอยู่ในมันแต่มันเนี่ยไม่เคลื่อนที่ไม่มีความรู้สึกใดๆเลยความรู้สึกก็เกิดดับอยู่ในความไม่มีอะไร ความคิดความนึกความสึกความตองความปรงแต่งอารมณ์ทั้งหมดก็เกิดดับอยู่ในความไม่มีอะไรคือใจนั่นเองที่เกิดดับอยู่ในใจแต่ใจเนี่ยมันเป็นความว่างไม่มีอะไรแต่มันมีความรู้มันเลยรู้ว่ามีอะไรมาเกิดดับอยู่ในมันเข้าใจไหมให้เป็นใจให้เป็นรู้อย่าไปเป็นคิดให้เป็นใจที่คิดไม่ได้เป็นวิญญาณทั้งเดิมแท้ที่ที่นวิชาที่คิดไม่ได้อย่าไปเป็นคิดอย่าไปเป็นปุง ไปเป็นคิดไปเป็นปูมันไปเป็นสังขารเป็นสิ่งปรุงแต่งเป็นขันห้าเราจะหลงเอาขันห้ามาเป็นตัวเราเอาตัวเราเป็นขันห้า